ก็นับว่าเป็นบริษัทที่สนทนากันโดยมากเป็นคาถาวถัตถุก็อย่างทานคาถาก็เป็นไปเพื่อมักน้อยใช่ไหมเพราะทานนี่ไม่เอาอ่ะไม่ได้ลักษณะจะเอาสิ่งนั้นนะแต่กลับคิดจะให้สิ่งนั้นก็คือนับเนื่องในคถาว่าด้วยการมักน้อ ย, อยนช่ไหมตาหนาน้อยมักน้อยสันโดษ ปรารบความเพียรไม่คลุกคลีและก็วิเวกเนี่ยนอันนี้ก็เป็นห้าแล้วใช่ไหมแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะกระถาวัตถุทั้งสิบประการเนี่ยนที่บุคคลสนทนาให้มากพูดคุยมากก็ยังอาเสขธรรมห้าให้บริบูรณ์ได้อย่างศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุตติญาณทัศนขันให้บริบูรณ์ อนุญาตกล่าว ท, ทําไนนะครับพราะวันนี้พระกุณเจ้าก็เป็นพระเทระมาร่วมฟังด้วยพระมัชชิมะขออนุญาตกล่าวธรรมคงมาทบทวนปฏิสัมพิธของเราที่ได้ศึกษาผ่านไปแล้วบ้างนั่นก็ที่มันจบชาเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าใสเกียร์ถอยบ่อยมาก ม่รู้เรียนจนกว่าจะคุนะ้นน่ยนะก็เรียกว่าเรียนลักษณะคุ้นเคยมากกว่าตอนถ้าใครทั้งฟังทนทนฟังเป็นบางครั้งเนี่ยนะบางครั้งก็ฟังทนบางครั้งก็ทนฟังเนะี่ยถ้าบ่อยๆเดี๋ยวจะคุ้นไปเองนะั่นแหละของ ม, มาพูดจนกว่าจะจําได้นันะ่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรียนไประยะยาวเนะีกก่ยจะค่อยๆเสพคุ้นเดี๋ยวนานๆเข้าเราก็เอออันนั่นก็ผ่านตานอันนี้ก็เอ๊กก็คุ้นเะนะี่ยนะยอมหลายคนที่มาฟังเนี่ยนะไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกมาก่อน พอมาฟังฟังไประยะหนึ่งกลับไปอ่านพระไตรปิฎกคุ้นหมดเลยนั่ น, น่ะเขาไม่เหมือนกับรู้มาก่อนเพราะว่างั้นไม่รู้มาก่อนได้ไงฟังอยู่ทั้งหลายปีแล้วเป็นไปแล้วเชื่ออยู่แล้วว่ารู้อยู่แล้วล่ะนะถ้าฟังไปอีกระยะหนึ่งเพราะว่าธรรมะบางครั้งเนี่ยที่พูดให้เหมือนเข้าใจยากเนี่ยเพราะว่าเหตุผลต้องการวางเกี่ยวกับเรื่องคําให้ไปคุ้นเคยในการศึกษาต่อไปนั่นแหะเพราะว่า ขอมาหวังใจไว้ว่าคงแกไม่ต้องมาเทศอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตเนี่ยนะคิดว่าคงไปไปอ่านได้เองสักวันหนึ่งกันนะก็วันไหนที่อ่านได้เองอ่านยังมีความสุขก็แมนะถือว่าเป็นของมั่งใจจะได้บุญมากตรงนั้นแหละเนี่ยนะก็จะทําบุญประเภทเนี้นะทําบุญชักชวนให้คนอ่านเข้าตจไปดกก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีละคนก็ยังดีเยตั้งไว้ปีละคนเนี่ยนะนะขอมักน้อยก็ก่อนมกัมกมากกว่ น, นี้เดี๋ยวจะผิดหวัง เนี่ยเกิดเขาไม่อ่านให้สักคนเดี๋ยวป่วยแน่เนี่ยก็แปลว่าตั้งในสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยนะปีหนึ่งหนึ่งคนนี่เป็นไปได้อยู่แล้วล่ะนี่ถ้าเอเขาอ่านได้อะไรได้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นบุญของเขาต่อไปเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้คือสิ่งที่หวังไว้อย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติของแต่ละคนเนี่ยนะ คนไปที่จะชี้นําเราได้ตรงๆอย่างแท้จริงเนี่ยคือพระรัตนตรยัยฉะั้นทำยังไงที่เราจะใกล้ชิดพระรัตนตรัยได้มากที่สุดนั่นแหละเราจรึงจะช่วยเหลือตัวเราได้เห็นในในยุคนี้การที่เราจะใกล้ชิดพระรัตนตรัยได้มากที่สุดก็คือการเรียนคำภีมีอยู่วิธีเดียวที่จะใกล้ชิดพระรัตนตรัยได้มากที่สุด นั้นความรู้รวบยอดที่บุคคลปรุงให้เนี่ยนะก็เหมือนกับว่ามากินแต่อาหารที่เขาปรุงให้เขาเจอสารพิษหรือเปล่าเราก็ไม่มีโอกาสรู้เพฉะนั้นถ้าเราเรียนวิธีปรุงอาหารไปด้วยในตัวเนี่ยนะระยะยาวเราก็ทํากลัวเป็นเนี่ยนะก็สบายใจหน่อยแต่ก็มีบางคนที่เรียกว่ากินแต่อาหารนอกบ้านนะนะร้านเขาปิดก็เดือดร้อน <laughs> ถ้าร้านปิดเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนปรุงเองก็ไหมเป็นอะไรก็ไหมเป็นเน่ยนะ ก็ต้องฝึกปรุงเองบ้างนะนานๆเข้าถ้าร้านเขาปิดเราก็จะได้ปรุงเป็นเนี่ยนะก็คงหวังใจไว้ว่าเรียนวิธีทำครัวเนี่ยนะเรียกว่าเรียนนี่ก็เป็นอาหารใช่ไหมเป็นธรรมะเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นอาหารเพราะเป็นอาหารแห่งกุศลธรรมชั้นสูงชั้นสูงต่อไปถ้าเราฝึกเจริญกุศลได้โดยการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะแล้วก็ถ้าสามารถทรงจําพระธรรมได้พระธรรมจะเป็นสิ่งที่คอยบอกเราทั้งหมด อันนี้เธอควรคิดนะอันนี้เธอไม่ควรคิดถ้าเธอคิดอย่างนี้เสียอย่างนี้นะถ้าเธอคิดอย่างนี้แล้วดีอย่างนี้ถ้าเธอคิดอย่างนี้แล้วเธอจะพ้นทุกข์ดังนั้นถ้าเราทรงจําพระธรรมได้มากก็จะเป็นแบบนั้นที่เรียกว่าทํำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมถ้าเราจําธรรมะไม่ได้เราก็ประพฤติไม่ได้ถ้าเราประพฤติไม่เป็นธรรมพระธรรมก็ไม่สามารถที่จะรักษาเราได้ดังนัาา้นเราก็ศึกษาพระธรรมจนกว่าที่เรียกว่าเรามีพระธรรมเป็น เกาะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งสมัยหนึ่งเนียนะช่วงก่อนจะดับขันปริญิพานอนุสาสนีที่พระองค์แสดงบ่อยก็คือว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนนะทีนี้ถ้าเอาตัวเองเป็นเกาะนี้เป็นยังไงนีะเอาตนเป็นเกาะนะคาว่าตนเนี่ยหมายถึงอะไร ส่วนไหนมื่อไงในร่างกายของเราที่ที่เราจะเอามาเป็นที่พึ่งของเราเลยนะท่านบอกว่าตนในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเลยนะเขาเรียกว่ามีตนเป็นเกาะทีนี้ผมก็ชี้แจงว่าอย่างไรชื่อว่ามีตนเป็นเกาะคือการเจริญอนุปัสนาทั้งหลายะกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน ผู้ที่อบรมกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสิบสี่วิธีเจริญเวทนานุปัสสนาเก้าวิธีจิตานุปัสสนาสิบหกวิธีธรรมานุปัสสนาห้าวิธีถ้าเจริญสติปัฏฐานได้ตามนั้นแหละเรียกว่ามีตนเป็นก็เรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้จริงๆเงี้ยนะถ้าช่วยเหลือตัวเองได้จริงๆหวังว่าเขาจะปลอดภัยจากวัตตะเนี่ยนะเพราะว่าวัตตะเนี่ยมันตอนที่บุญมันให้ผลเราก็ว่าปลอดภัยตอนที่หมดบุญแหละ นี่ยนะคือตอนเหมือนกับอุปมาเหมือนกับว่าเราใช้รถเดินทางระยะยาวเนี่ยนะตอนที่รถมันไม่ไม่มีปัญหาเราก็ว่าเราพึ่งรถละ่ะเดี๋ยวถ้ารถเสียจะทํำยังไงก็หาช่างใช่ไหมนี้ถ้าไปเสียบางแห่งเนี่ยนะเขาจะมาช่างเหมือนกันเขาจะถอดอะไรเราไปทีละชิ้นสองชิ้นสมชิ้นเนี่ยนะรถเสียบางแห่งนั่นนะถูกถอดเรียบเลยนะ่นี่ก็เหมือนกันในชีวิตในวัฏฏะของสัตว์ทั้งหลายไม่มีความปลอดภยัย เมื่อไม่มีความปลอดภัยเนี่ยอะไรที่จะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งที่จะช่วยให้เราพ้นจากวัฏฏะได้จริงๆนั่นเองดังนั้นการศึกษาพระธรรมนี้จึงเป็นเกาะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งแต่ในการศึกษาที่พอจะพึ่งหรือช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยอันนั้นแหละต้องศึกษาให้เพียงพอในปฏิสัมพินานั้นโดยเฉพาะญาณกถาเป็นกล่าวทั้งลำดับของการปฏิบัติด้วย เป็นทั้งลำดับของการศึกษาด้วยเนี่ยนะได้ลำดับหลายลำดับด้วยกันโดยเฉพา ะ, ะยานกรถายานแรกเรียกว่าสูตรตามม ย, ยาญาณการเข้ามาในาศาสนานี้ลำดับการฟังเนี่ยนะถือว่าเป็นเบื้องต้นแห่งการเข้าถึงาศาสนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังจนสามารถทรงจำพระธรรมคำสอนไว้ได้เนี่ยนะ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะฟังจนสามารถจำคำสอนไว้ได้จำจาคำสอนว่ายังไงบ้างจำคำสอนว่านี้ควรรู้ยิ่งด้วยยาตะปริญญานี้ควรกำหนดรู้ด้วยตีระณะปริญญานี้ควรละด้วยทหาระปริญญานีนะนะแล้วก็นี้ควรทำให้แจ้งด้วยตัวที่ทำให้แจ้งคือตัวภาเวตประธรรมสิ่งที่ถูกทำให้แจ้งคืออริยผลกับพระนิพพาน นี้ควรทําให้แจ้งนะนะแล้วก็นี้ควรเจริญทีนี้เมื่อเจริญอย่างนี้นะบางท่านเขาเจริญได้ทั้งสมถะเป็นปฐมฌานทุติยฌ า, านนี้ปฐมฌานของบางคนก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมก็ต้องมาแยกแยะแม้กระทั่งว่าฌา น, นาจิตทั้งหลายวบบนี้ส่วนแห่งความเสื่อมส่วนนี้ความดํารงอยู่นี้แห่งความวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้อยู่ในส่วนแห่งการชํำระ ก, กิเลสแล้วก็กล่าวถึงสังขารในวัต สังขารที่เป็นวัตตาในภูมิสามก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาก็จุดประสงค์ทั้งหมดก็เพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์เนี่ยนะนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขะนิโรธาโรคามินีนปฏิปทาเพราะฉะนั้นสุตตา ม, มายาญาณเนี่ยนะสิบหกหัวข้อใหญ่อันนี้เป็นหัวข้อที่เราต้องต้องจำให้ได้ก่อนถ้าจำทั้งสิบหกหัวข้อได้ฟังแล้วเข้าใจทรงจาไว้ได้อย่างนี้ ก็สังวรไปตามนั้นนั่นแหละเป็นสีลระมียาญยาณเพราะว่าคนทั้งหลายมุ่งจะปฏิบัติถ้าหากว่าศึกษารายละเอียดไม่ดีเนี่ยนะไม่รู้จะปฏิบัติว่ายังไงเหมือนกับเคยใช้ลูกให้ไปหยิบของให้หนูไปหยิบของให้แม่ทีมันรีบไปเลยนะนยังไม่ทันฟังจบเลยไปถึงโน้นก็กลับมาถามใหม่นะแม่ให้เอาอะไรนะเห็นไศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันนละ ถ้าเราศึกษายังไม่ชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกเลยนะรีบปฏิบัติมากเลยนะจะรีบไปยืนไปเดินไปนั่งไปอะไรเนี่ยที่เรียกว่ารีบปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติมาทาไปเยอะอาจารย์เนี่ยจะให้ปฏิบัติไปเพื่ออะไรเนี่ยจะถึงไหนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นฟังทรงจำทำความเข้าใจให้เพียงพอ่อนว่าเราปฏิบัติแล้วจะรู้อะไรรู้อย่างไร การฟังสุตตมยายามทั้ง16หัวข้อนะทั้งอภินยยธรรมตรินยยธรรมปหาตปธรรมสัจจีกาตปธรรมภาเวตปธรรมเป็นต้นเนี่ยการฟังอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าฟังจําเดิมแต่เบื้องต้นจนถึงอรหัตตมักเนี่ยนะเพราะว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรผลไม่เกินสิบหกหัวข้อนี้หรอกนี่นะอยู่ในสิบหหัวข้อนี่แหละเรียกว่าเบื้องต้นจนถึงอรหัตกรรมทีนี้เมื่อฟังหัวข้อเข้าใจชัดเจนทั้ง พระศาสนาด้วยเข้าใจจุดประสงค์ของการปฏิบัติด้วยเป็นต้นก็มาสังวรตามมาเจริญตามการที่มาสังวรก็คือเริ่มปิดบาปใช่ไหมเพราะศีลธรรมยญาณในจุดประสงค์ก็คือต้องการห้ามบาปปิดบาปอันนี้เป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติก็คือศีลรรมยญาณปัญญาที่เป็นไปในศีลแต่ถ้าผู้ที่รักษาศีลไม่มีปัญญาประกอบศีลเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อชำํำระกิเลส ก็รักษาศีลทรงทรงสุดๆนะเนียสมาทานแล้วก็ขาดขาดแล้วก็ไปสมาทานใหม่ก็เหมือนกับชาวพุทธประเทศไทยส่วนใหญ่ที่เข้าวัดนะเนะ่ยวันพระก็ไปวัดสมาทานศีลพระก็ให้ไปให้ไปกลับไปบ้านก็ขาดมดุดวันพระใหม่ก็มาขอใหม่ก็อยู่อย่างเนี้ยขาดขาดบ้างรักษาบ้างเนี่ยนะบางทีคําลากลับบ้านเขาบอกว่าลาศีลแล้วนะประมาณ เ ข, เขาลากลับบ้านนะคําลากลับบ้านเขาบอกว่าอยกลาศีนนะเขามางงเลยทีมานี้มายังทันเตอปุชามะมายังพหุการณียาคำว่างันข่าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอลากลับบ้านแล้วเป็นคนมีกิจมากมีธุระมากพาคก็บอกเออได้เวลาก็กลับไปเถอะยะสถานิตุมเหฮิกังบัญญาท้าบอกได้เวลาก็กลับไปเถอะแต่ก็บอกนั่นแหละ เ, เขาลาศีลมาเรียบร้อยแลย้วครว่างั้น เออให้ได้ขนาดนี้สิมันก็มันก็เสื่อมมา ก, ก น, นะเพราะว่ารักษาศีนที่ไม่มีปัญญาประกอบก็เป็นอย่างนั้นเพันศีนเนี่ยจึงต้องมีปัญญาประกอบรู้ว่าศีลคืออะไรทวนนะศีลคืออะไรศีนคือศีละนะะศีละน ะ, ละนะตัวศีลจริงๆเพราะอภัถาว่า อ, อกายวาจาไม่เกลื่อนกลมกระจัดกระจายรองรับกุศลธรรมชั้นสูง มีการกำจัดความทุสินมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏมีหิริโอตะปะเป็นเหตุใกล้แล้วก็ศีลเนี่ยผู้ที่จะรักษาศีลได้ดีก็ต้องรู้แม้กระทั่งว่าศีล น, นํามาซึ่งอะไรศีลเป็นปัจจัยแก่อะไรคนที่ทุสีนทั้งหลายเนี่ยนโดยมากจะลำบากใจในภายหลังให้เรารู้กันเถอะว่าความลำบากใจในภายหลังทั้งมวล <S <S เกิดจากความทุสีล สมมติถ้าเรื่องอะไรเราไม่สบายใจสักอย่างหนึ่งนะนั่นเป็นผลแห่งการทุศีลเอายกตัวอย่างว่าอยู่ๆแล้วเกิดหงุดหงิดขึ้นมาสักหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้เรื่องที่เรามาณศีการถึงนั่นแ่ะเป็นผลของการทุศีลเราจะไม่เคยเสียใจเราโอ้โหนี่เรารักษาศีลดีเกินไปไม่มีเราก็อย่างเงี้ยโอ้โหนี่เร า, า, เ, ราเพราะเราอยู่ในศีลรักษาศีลได้เต็มเปี่ยมขนาดนี้นะเราจรึงทุกอย่างเงี้ยไม่มี มีแต่อันนั้นเหมืเราไม่น่าทําเลยเราน่าจะทําอย่างนั้นนั่นยังประเภทเนี้ยเราก็ศีลไม่ดีเพราะคนที่ศีลดีเนี่ยะจะไม่ตําหนิตัวเองตัวเองยังตําหนิตัวเองไม่ได้ท่านผู้รู้ไข้ครควญโดยรอบแล้วก็ตําหนิไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนะแต่พยา ม, มานเขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็ นนั้คําว่าคนอื่นติเตียนไม่ได้หมายถึงผู้มีปัญญาเพราะคําของคนไม่มีปัญญาเอาเป็นประมาณไม่ได้เรารักษาศีลเนี่ยนะแล้วก็คนชั่วเขาตาหนินะอย่าไปเสียใจเลยอย่างที่เคยกล่าวครั้งก่อนใช่ไหมส า, ม, ามีคนหนึ่งเขาก็ไปฟังธรรมนี่แหลพะพอไปฟังธรรมเขามีแบบ ก, ก็บอกว่าบางแห่งสมัยโบราณเลยคนฟังธรรมเยอะๆใช่ไหมก็มีคนมานั่งฟังทั้งคืนก็เผลอไปก็จะหลับพลจะมีโจรทําลายปลมล้วงกระเป๋า พอมาฟังก็วันนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโจรที่ล่วงกระเป๋าเนี่ยฟังธรรมแล้วบรรลุกว่านั้นเลยไม่ได้ไม่ได้มาลักกับเขาหรอกเพราะมัวแต่ฟังธรรมพอฟังว่บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็กลับบ้านเมียก็ถามวันไหนไ ด, ได้กี่บาทมาะจเจ้าอไปขโมย ไ, มไปล่วงกระเป๋าเขาได้มาเท่าไหร่ผัว ก, ก็บอกว่าไม่ได้รักหรอกวันนี้ฟังธรรมได้อมตะมาแล้วบอกแกนี่มันโงู้นี่นะกนะนะ็เป็นโจรรักไม่ได้มันก็เสียโจรอ่ะนะก็เลยถูกเมียด่า จนก็เลยคิดเราโหเมียเขาว่าเราเนี่โงูก็เลยกลับไปวัดใหม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระ อ, องค์เนี่ยเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าฟังแล้วก็บรรลุธรรมอ่ะนะก็ไม่ได้รักไปแล้วก็กลับบ้านไปก็ถูกเขาด่าว่าโง่พระ อ, องค์ก็บอกว่าคนที่โง่แล้วะรู้ตัวว่าเป็นคนโง่ก็พอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างเหมือนกันแต่ถ้าพวกที่โง่แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าโง่ก็ถาวร อ, อ่ะนะโง่ถาวอนเหอนมันก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้น